ปายปฏิกัสนารหะวัตตะว่าด้วยวัดของภิกษุผู้ควรแกร่การชักเข้าหาอาบัติเดิมสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ควรแกร่การชักเข้าหาอาบัติเดิมยินดีการที่ประกาศตัดตาภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับประนมมือทำสามีจิกรรมนําอาสนะมาให้นําที่นอนมาให้ตั้งน้ําล้างเท้าตั้งต่างรองเท้า ตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาดและจีวรการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตาหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุผู้ควรแก่การแช่เข้าหาอาบัดเดิมยินดีการที่ประกาศตัตตาภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับประนมมือทําสามีจิ ก, ก ร, รมนำอาสนะมาให้นาที่นอนมาให้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 ภิกษุทั้งหลายผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัดเดิมยินดีการที่ประกาศตัดตภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลูกครับการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าการกระทำของภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัดเดิมไม่สมควรภิกษุทั้งหลาย ชนไหนผู้พกิกษุผู้ควรแก่การชแชเข้าหาอาบัตดเดิมยินดีการที่ประกาศตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับถูหลังให้เนื้อคราวอาบน้ําเล่าภิกษุทั้งหลายการทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตําหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีคถาแล้วรับสั่งกับพิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตดเดิม ไม่พึงยินดีการที่ประกาศตัดต่ภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกครับถูหลังให้ในคราวอาบน้ําผู้ใดยินดีต้องอาบัตดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาต ก, การที่ภิกษุผู้ควรแก่การแช่เข้าหาอาบัดเดิมด้วยกันกราบไหว้ลุกครับการถูหลังให้คราวอาบน้ําตามลําดับพรรษาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาต ก, กิจหอย่างคืออุโบสถปวารณา ผ้าอาบน้ําฝนการสละพัดพัดเพื่อภิกษุผู้ควรแก่การแชกเข้าหาอาบัดเดิมตามลําดับพรรษาภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัดแก่ภิกษุผู้ควรแก่การแชกเข้าหาอาบัดเดิมโดยวิธีที่ภิกษุผู้ควรแก่การชช่เข้าหาอาบัดเดิมทั้งหลายต้องประพฤติวัด79ข้อของภิกษุผู้ควรแก่การแชกเข้าหาอาบัดเดิมภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ควรแก่การชชกเข้าหาอาบัตเดิมพึงประพฤชอบการประพฤชอบในเรื่องนั้นดังนี้ภิกษุผู้ควรแก่การชชกเข้าหาอาบัตเดิม 1. ไม่พึงให้อุปสมบท 2. ไม่พึงให้นิสัยสมไม่พึงใช้สา ม, มเณรอุปถากสไม่พึงรับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 6.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 สิไม่พึงทําการไต่สวน14ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรนสิบไม่พึงขอโอกาสภิกษุอื่น16ไม่พึงโจทย์ภิกษุอื่น17ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ18ไม่พึงชักชวนกา น, นก่อความทะเลาะ19ไม่พึงเดินนําหน้าประกาศตตะภิกษุ20ไม่พึงนั่งข้างหน้าประกาศตตะภิกษุ 21・พึงพอใจอาสนะสุดท้ายที่นอนสุดท้ายวิหารสุดท้ายของสงฆ์ที่จะให้เธอ22・ไม่พึงมีประกาศตตะพิษุเป็นปุเรสมณนะหรือเป็นปัจฉาสมณะเข้าตรกูล23・ไม่พึงสมาทานอารัญยิกลังคัทุดง24・่ไม่พึงสมาทานปินทฑปาติกลังคธทุดง25・่ ไม่พึงให้เขานำบิณฑบาตมาส่งเพราะปัจจัยนั้นด้วยคิดว่าคนจะได้รู้จักเรา26ไม่พึงออกจากอาว่าที่มีภิกษุไปสู่อาวาทซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย27ไม่พึงออกจากอาวาทที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาทซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 28. ไม่พึงออกจากอาวาที่มีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาทซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 29. ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาทซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาทซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย30ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาซึ่งมีภิกษุ ไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาตไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตะตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย31ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตะตะภิกษุเวา้นแต่มีอันตราย32ไม่พึงออกจากอาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งมีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่ไม่มีภิกษุ33ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาสไม่มีภิกษุ 34. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุไป ส, สู R, ่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 35. ม ไม่พึงออกจากอาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาดที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย36ไม่พึงออกจากอาวาดที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุ37ไม่พึงออกจากอาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุ ซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 38. มไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่อาวาสมีภิกษุละถึง39มเไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อววาสมีภิกษุ40่ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสมีภ uh in pa ิกษุซึ t t ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปะกระตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย41ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสมีภิกษุ 42. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุ 43ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช้อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่มิใช้อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาดอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย44พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุละถึง45พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่สถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุ4 6พึงออกจากอาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมาณสังวาดอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ4 7พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดที่มีภิกษุ48พึงออกจากสถานที่มิใช่อวาดมีภิกษุ ไปสู่สถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุ49พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ50พึงออกจากอาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดที่มีภิกษุ5้อ พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุ 52. พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ 53. ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มุงบางเดียวกันกับประกาศตะตะพิกสุ54ไม่พึงอยู่ในสถานที่ไม่ใช Bradley, ่ ury, อาวาสที่มุงบางเดียวกัน55ไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือในสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มงบางเดียวกัน56เห็นประกาศตตะพิกสุแล้วพึงลุกจากอาสนะ57พึงนิมนต์ประกาศตตะพิกสุให้นั่ง58 ไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับประกาศตตะพิษุ59เมื่อประกาศตตะพิษุนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง60เมื่อประกาศตตะพิษุนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ61ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับประกาศตตะพิกษุ62 เมื uhm. ่อประกาศตตะภิกษุเดินจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมสูงห3สเมื่อประกาศตตะภิกษุเดินจงกรมอยู่ที่พื้นดินไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรม6 4่ถึงเจิไม่พึงอยู่ในอาวาที่มุงบางเดียวกันกับภิกษุผู้อยู่ปริวาสและถึง กับภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมที่มีภ ร, รษาแก่กว่ากับภิกษุผู้ควรแก่มานัตกับภิกษุผู้ประพฤติมานัตกับภิกษุผู้ควรแก่อภานไม่พึงอยู่ในสถานที่ไม่ใช่อาวาดที่มุงบางเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภานไม่พึงอยู่ในอาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดที่มุงบางเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภาน ไม่พมึงน pues er e um hey ั่งบนอาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแกอาพาน75เมื่อภิกษุผู้ควรแกลาพานนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง76เมื่อภิกษุผู้ควรแกอาพานนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ77ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแกอาพาน78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 สงมีภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมนั้นเป็นรูปที่20สพึงอภ า, านกรรมนั้นไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำวัด79ข้อของภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมจบมูลยะปฏิกษสนารหาวตตะจบ มานัตตารหาวัตตะว่าด้วยวัดของภิกษุผู้ควรแก่มานัตสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ควรแก่มานัตยินดีการที่ประกาศตัดตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับและถึงการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำบรรดาภิกษุผู้มากน้อยสันโดษตําหนิประนามโพรธนาว่าชนันภิกษุทั้งหลายผู้ควรแก่มานัต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 ยินดีการที่ประกาศตัดตภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับการถูหลังให้ใ น, นคราวอาบน้ําจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิว่าการกระทําของภิกษุผู้ควรแก่มานัดไม่สมควรภิกษุทั้งหลายจะไหนพวกภิกษุผู้ควรแก่มานัดจึงยินดีการที่ประกาศตัดตภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับ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 รูปได้ยินดีต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการกราบไหว้ลุกรับการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำของภิกษุผู้ควรแก่มานัดด้วยกันตามลำดับพรรษาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกิท5ห้าอย่างคืออุโบสถปวารณาผ้าอาบน้ำฝนการสละพัดพัดเพื่อภิกษุผู้ควรแก่มานัดด้วยกันตามลำดับพรรษา ภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเราจะบัญญัติว่าแก่ภิกษุผู้ควรแก่มานัตโดยวิธีที่ภิกษุผู้ควรแก่มานัตทั้งหลายต้องประพฤติว่า79ข้อของภิกษุผู้ควรแก่มานัตภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ควรแก่มานัตพึงประพฤติโ ด, ดยชอบการประพฤติโ ด, ดยชอบในเรื่องนั้นดนังนี้ภิกษุผู้ควรแก่มานัต 1. ไม่เพิงให้อุปสมบท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 10. ไม่พึงตำหนิภิกษุผู้ทำกรรม 11. ไม่พึงงดอุโบสถแกรประกาศตตะพิกษุ 12. ไม่พึงงดปวารณาแกรประกาศตตะพิกษุ 13. ไม่พึงทำการไต่สวน 14. ไม่พึงเริ่มอนุวาธาธิกรนสิบไม่พึงขอโอกาสพิกษุอื่น 16. ไม่พึงโจทย์พิสอื่น17เไม่พึงให้พิกษุอื่นให้การ 18ไม่พึงชักชวนการก่ อ, กอความทะเลาะ19ไม่พึงเดินนําหน้าประกาศตัดตาภิกษุ20ไม่พึงนั่งข้างหน้าประกาศตัดตาภิกษุ21พึงพอใจอาสนะสุดท้ายที่นอนสุดท้ายวิหารสุดท้ายของสงฆ์ที่จะให้เธอ 22. ไม่พึงมีประกาศตัดตภิกษุเป็นปุเรสมณนะหรือเป็นปัจชาสมณะเข้าตระกูล 23ไม่พึงสมาทานอารันยิกังคตุดง24ไม่พึงสมาทานเป็นทปาติกังคตุดง25ไม่พึงให้เขานำปินทบาทมาส่งเพราะปัจจัยนั้นด้วยคิดว่าคนอย่าได้รู้จักเรา26ไม่พึงออกจากอาวะที่มีภิกษุไปสู่อาวะาซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับประกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย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 ไปสู่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุละถึงสามไม่พึงออกจากสถานที่มิใช้อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช้อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุสามเอไม่พ nah ึงออกจากสถานที่มิใช้อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่มิใช้อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตรายสสอง ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ม่ใช้อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุ33ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช้อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช้อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุ34ไม่พ ật, ึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช้อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ม่ใช้อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุ เว้นแต่ไปกับปะกะตตะพิกษุเว้นแต่มีอันตราย35ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีพิกษุไปสู่อาวาสซึ่งมีภิกษุ36ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีพิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช้อาวาสซึ่งมีพิกษุ37ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีพิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีพิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วย เว้นแต่ไปกับปะกะตัตะพิกษุเว้นแต่มีอันตราย38ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีพิกษุไปสู่อาวาดมีพิกษุซึ่งมีพิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วย39ิไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาดมีพิกษุ40ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีพิกษุ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 4. 3ไม่พึงออกจากอาวาดหรือสถา น, ท, ท, ท, าน ท, ที่มิใช่อาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาดอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับประกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 4. 4พึงออกจากอาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาดที่มีภิกษุ 45. พึงออกจากอาวาดที่มีภิกษุ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 พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุ49พึ่งออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาจอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ50พึ่งออกจากอาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุ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 ไม่พึงอยู่ในอาวาที่มุงบางเดียวกันกับประกาศตตะพิษุ54สไม่พึงอยู่ในสถานที่ไม่ใช่อาวาที่มุงบางเดียวกัน55ไม่พึงอยู่ในอาวาดหรือในสถานที่ไม่ใช่อาวาที่ ม, มุงบางเดียวกัน56เห็นประกาศตตภิกส <54 S 1> ุแล้วพึงลุกจากอาสนะ57พึงนิมนต์ประกาศตตะพิสุให้นาาั่ง58 ไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับปะกะตตะพิษุ59เมื่อปะกะตตะพิษุนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง60เมื่อปะกะตตะพิษุนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ61ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปะกะตตะพิกษุ 62. เมื่อปะกะตตะพิษุเดินจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำ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 เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อภ า, านเดินจงกรมอยู่ที่พื้นดินไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมภิกษุทั้งหลายถ้าสงมีภิกษุผู้ควรแก่มานัตเป็นรูปที่สี่พึงให้ปริวาา ช, ชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัตสงมีภิกษุผู้ควรแก่มานัตนั้นเป็นรูปที่ยี่สิบพึงอภ า, านกรรมนั้นไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำวัด79ข้อของภิกษุผู้ควรแก่มานัต มานัตตารหาวัตตจบ 4. มานัตตาจาริกวัตตว่าด้วยวัดของภิกษุผู้ประพฤติมานัตสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติมานัต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 นำที่นอนมาให้การถูหลังให้เนื้อคราวอาบน้ำรูปใดยินดีต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการกราบไหว้ลุกรับการถูหลังให้เนื้อคราวอาบน้ำของภิกษุผู้ประพฤตมานัดด้วยกันตามลำดับพรรษาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกรีดห้าอย่างคืออุโบสถปวารณาผ้าอาบน้าฝนการสละพัด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 ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ18ไม่พึงชักชวนกันก่อความทะเลาะ19ไม่พึงเดินนำหน้าประกะตัดตาภิกษุ20ไม่พึงนั่งข้างหน้าประกาตัดตาภิกษุ21พึงพอใจอาสนะสุดท้ายที่นอนสุดท้ายวิหารสุดท้ายของสง์ที่จะให้เธอ 22. ไม่พึงมีประกาศตัดตาภิกษุเป็นปุเรสมณนะ หรือเป็นปัจฉาสมณะเข้าตรกูล 23. ไม่พึงสมาทานอารัญยกังคตุดง 24. ไม่พึงสมาทานเป็นทัปปาติกรังคตุดง 25. ไม่พึงให้เขานำบินทบาตมาส่งเพราะปัจจัยนั้นด้วยคิดว่าคนจะได้รู้จักเรา 26. เป็นอาันรตกกะไปก็พึงบอกให้ทราบ 27. มีอคัคนตุกะมาก็พึงบอกให้ทราบ 28. พึงบอกในวันอุโบสถ 29. พึงบอกในวันปวารณา 30. พึงบอกทุกวัน 31. อถ้าอาพาธพึงส่งทูตให้ไปบอก 32. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายส3สา ไม่พึงออกจากอาว่าที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช้อาวาทซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย34ไม่พึงออกจากอาวาทที่มีภิกษุไปสู่อาวาทหรือสถานที่ไม่ใช้อาวาทซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย35ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช้อาวาทซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาทซึ่งไม่มีภิกษุ 36. ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาาซึ่งไม่มีภิกษุ 37. ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย 38. ไม่พึงออกจากอาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุ ไปสู่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุ39ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช้อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุ40ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช้อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย4ีอ ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ 42. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุ 43. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย44 ไ ม, ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาตมีภิกษุไปสู่อาวาตมีภิกษุสีบหไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาตมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาตมีภิกษุ46ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาตมีภิกษุไปสู่อาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับสง์เว้นแต่มีอันตราย 47. ไม่พึงออกจากอาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาดมีภิกษุ 48. ไม่พึงออกจากอาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุ 49. ไม่พึงออกจากอาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุ ซึ่งมีภิกษุเป็นนาน า, นาสัมวาดอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย50พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ51ิพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่าอาวาสมีภิกษุ5 2งพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่าอาวาสมีภิกษุ ซึ่งมีภิกษุเป็นสมานะสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ53พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ54พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุ55พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาดอย profiles, ู่ด <politicians> ้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ5 6พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ57พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อวาสมีภิกษุ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 61ไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือในสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มุงบางเดียวกัน62เห็นปปกะตตาภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ 63. พึงนิมนะะต์ปปกตตาภิกษุให้นั่ง64ไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับปปกะตตาภิกษุ65เมื่อปปกะตตาภิกษุนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง 66เมื่อประกาศตตะพิษุนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ67ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับประกาศตตะพิกษุ68เมื่อประกาศตตะพิษุเดินจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมสูง69เมื่อประกาศตตะพิษุเดินจงกรมอยู่ที่พื้นดินไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรม 7จ็ไม่พึงอยู่ในอาวาที่มุงบางเดียวกันกับภิกษุผู้อยู่ปริวาทและถึงกับภิกษุผู้ควรแก่การช่าเข้าหาอาบัตเดิมกับภิกษุควรแก่มานัดกับภิกษุผู้ประพฤตมานัดที่มีพรรษาแก่กว่ากับภิกษุผู้ควรแก่อภานไม่พึงอยู่ในสถานที่ไม่ใช่อาวาที่มุงบางเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภาน ไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มุมบางเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภายไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภาย90เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อภายนั่งบนอาสนะต่ําไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง91เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อภายนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ92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 พึงให้ปริวาชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดสงมีภิกษุผู้ประพฤติมานัดนั้นเป็นรูปที่ยี่สิบพึงอภ า, านกรรมนั้นไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำวัด94ข้อของภิกษุผู้ประพฤติมานัดจบ